สปัจจยปัจจนียะ 2. ส, สังคยาวาระคณะณมูลกะในรอยสอามแะเหตุปัจจัยมีสองวาระณะาอารมาณปัจจัยมีห้าวาระณะอาทิปติปัจจัยมีเก้าวาระณะอนันตรปัจจัยมีห้าวาระณะสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระณะอัญญมัญญปัญจจัยมีห้าวาระ นอุปนิสยปัจจัยจมีหวาระนะปุเรชาตปัจจัยมีเจวาระนะปัจฉาชาตปัจจัยมีเก้าวาระนะอาศัยวนปัจจัยมี9้าวาระนกรรมปัจจัยมีสมวาระนะวิปากปัจจัยมีเ้าวาระนะอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนะอินทรียะปจจัยมีหนึ่งวาระนาชาณนะปจัยมีหนึ่งวาระ ณมะขะปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมยุญตปัจจัยมีห้าวาระณวิปุญตปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยมีห้าวาระโนวิกะตะปัจจัยมีห้าวาระณเหตุทุกข์ในร้อยสี่ณอารมณปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยละถึงมีสองวาระ นอน like en ันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระนสมมันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระนอัญญะมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนอุปนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระนปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระนอาศิวนปัจจัยมีสองวาระนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยมีสองวาระ ณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระณชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมำยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีสองวาระโนนันถิปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระเติดกระในร้อยห้า ณอธิปติปัจจัยก mm ับนเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระณอนันตรปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระณสมนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนอุปานิสยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระณปุเรชาตะปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระ นปัจฉาชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระณอาศวนปัจจัยมีหนึ่งวาระณกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระณอาหาราปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระณาชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนามขะปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระ นวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัติปัจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตาปัจัยมีหนึ่งวาระวีจักกะในร้อยหโนวิคตาปัจัยกับนาเหตุปัจจัยณอารมณปัจจัยณอธิปติปัจจัยณอนันตรปัจจัยณสมนันตระปัจจัยณอัญญามัญญปัจจัยณอุปาณิสยปัจัย ณปุเรชาตปัจจัยณปัจจาชาตะปัจจัยณอเสวณปัจจัยณกรรมปัจจัยณวิปากปัจจัยณอาหารปัจจัยณอินทริยปัจจัยณชาณปัจจัยณมขะปัจจัยณสัมปยุตตปัจจัยณวิปยุตตาปัจจัยและโนนติปัจจัยมีหนึ่งวาระณเหตุมูลกะณไหรจด ณอารามณะทุกกะในรอยเจ็ดณเหตุปัจจัยกับณอารามณะปัจัยมีหนึ่งวาระณนะอธิตติปัจัยละถึงมีห้าวาระณนะอนันตระปัจัยมีห้าวาระณนะสมรันตระปัจจัยกับณอารามณะปัจัยมีห้าวาระณนะัญญมัญญะปัจัยละถึงมีห้าวาระณนะอุปนิสยปัจัยมีห้าวาระ นปุเรชาตะปัจจัยมีห้าวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีห้าวาระนอาศิวนปัจจัยมีห้าวาระนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยมีหวาระนอาหาระปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียะปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณสัมปยุตตะปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัติปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระจะตุกรในร้อยแปดณอนันตระปัจจัยกับณอารมณปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัติปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระ โนวิคตปัจใจกับมีหนึ่งวาระณอธิปติทุกกนณ์ร้อยเก้าณเหตุปัจใจกับณอธิปติปัจใจมีสองวาระณอารมณปัจใจละถึงมีห้าวาระณอนันตระปัจใจกับณอธิปติปัจใจมีห้าวาระณสมณันตระปัจใจละถึงมีห้าวาระ นอัญญามัญญปัจจัยมีห้าวาระนอุปนิสยปัจจัยมีห้าวาระนปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระนปัจชาชาตปัจจัยมี9้าวาระนอาศวนปัจจัยมี9้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมี9้าวาระนาอหาราปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียะปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคะปัจจัยมีหนึ่งวาร ะ, ณ, จจาระณสัมปยุตตะปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระโนนัติปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระเติดกะในร้อยสิบณอรมณะปัจจัยกับณอธิปติปัจจั ย, จยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณอนันตระปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระณสมนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระณปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระณอาศิวนปัจจัยมีสองวาระณกรรมปัจจัย กับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปากปัจจัยละถึงมีสองวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระณชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนมขะปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระ โนนัตถิปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระจตุกรในร้อยสิบอดณอนันตระปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระ โนนัตถิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอนันตรปัจจัยเป็นต้นรอยสิบสองละถึงกับณอนันตรปั จ, จัยณสมนันตรปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยและณอุปนิสยปั จ, จัยปัจจัยนี้เหมือนกับณอารมณะปัจจัยณปุเรชาตทุกนยัย ร้อย 13. ณเหตุปัจจัยกับนปุเรชาติปัจจัยมีสองวาระณอารมณปัจจัยละถึงมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยมีเจวาระณอนันตรปัจจัยกับณปุเรชาติปัจจัยมีห้าวาระณส ม, ณ น, มณนันตรปัจปปจัยละถึงมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระ นอุปนิชยปัจจัยมีห้าวาระนปัจฉาชาติปัจจัยมีเจดวาระนอาศิวนปัจจัยมีเจดวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีเจดวาระนอาหาระปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียะปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคระปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณสัมปยุตตะปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระโนนัติปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตาปัจจัยมีห้าวาระติกไนร้อยสิบสี่ณอรมณปัจจัยกับณปูเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยละถึงมีสองวาระ ณอนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระณสมนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปนิสัยปัจจัยมีหนึ่งวาระณปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระณอาศัยวนปัจจัยมีสองวาระณกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปากปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระ ณอาหารปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระณชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคราปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระจะตุกะใน ร้อยสห้าณอธิปติปัจจัยกับณปุเรชาตะปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระณอนันตรปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณปัจฉาชาตะ และนาอาศัยวนาทุกขในร้อยสิบหกนเหตุปัจจัยกับนปัจฉาชาตะปัจจัยและณอาศัยวนาปัจจัยมีสองวาระณอารามณปัจจัยละถึงมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระณอนันตระปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระ นอุปนิสยปัจจัยมีห้าวาระนปุเรชาตปัจจัยมีเจวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมี9้าวาระนกรรมปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนาอาศัยวนปัจจัยมีสามวาระนวิปากะปัจจัยและถึงมีเก้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียะปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคะปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระโนนัติปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระติกกะไนรอยสิบณอรามาณปัจจัยกับณอาศวณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ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 นวิปากะปัจจัยมีสองวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียะปัจจัยมีหนึ่งวาระณาชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปชุตตะปัจจัยกับณอาศัยวนปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระโนนติปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระ โนวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระจะตุกะในอยส1บแปณอธิปฏิปัจัจกับณอาศัยวนปัจใจณเหตุปัจัจและณอรมณปัจัยมีหนึ่งวาระณอนันตระปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระโนนติปัจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระ นวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระนกกรรมทุกขในร้อยสิบเก้นเหตุปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนอารรมณปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระนอธิปติปัจจัยมีสามวาระนอนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระณสมนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระ นอุปนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนอาศัยวนปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีสามวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนามขะปัจัยมีหนึ่งวาระ ณสัมปยุตตปัจจัยกับณกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตะปัจจัยละถึงมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระติกกะไนรอยยี่สิบณอารมณปัจจัยกับณกรรมปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระโนนัติปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระ น, านวิปากะทุกกะในรอยยี่สิบเอดนาเหตุปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสองวาระนานอารมณปัจจัยละถึงมีห้าวาระนานอธิปติปัจจัยมี9้าวาระนาอนันตระปัจจัยมีหวาระ ณสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระณนะอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระณนะอุปนิสยปัจจัยมีห้าวาระณนะปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระณนะปัจฉาชาตปัจจัยมีเนะนะก้าวาระณอาศัยวนปัจจัยมีเ้านวะาระณกรรมปัจจัยมีสามวาระณนะอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนมค ะ, ะปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตะปัจจัยกับณวิปากปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตะปัจจัยละถึงมีสามวาระโนนัติปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระติ ก, กะไนร้อยยี่สิบสอง ณอา ร, ระมณปัจจัยกับณวิปากราปจัยและณเหตุปัจจัยมีหน at ึ่งวาระณอาเทปติปัจจัยละถึงมีสองวาระณอนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระณสมนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญะปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระ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 โนนัตถิปัจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจัยมีหนึ่งวาระจะตุกนารอยยี่สิสาณอธิปติปัจัยกับณวิปากาปัจใจณเหตุปัจจัยและณอารมณปัจัยมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระโนวิคตปัจจัยกับ มีหน ühr ühr ึ่งวาระทุกไในมีหนอาหารปัจจัยเป็นต้นร้อยี่สิบสี่นเหตุปัจจัยกับหนอาหารปัจจัยละถึงหนอินทริยปัจจัยหน้าชาน้ปัจจัยนมัคราปัจจัยมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระโนนัติปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระโนวิคตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ ณสัมปยุตตะทุกกนร้ยยี่สิบห้าณเหตุปัจจัยกับณสัมปยุตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระณอารามณปัจจัยละถึงมีห้าวาระปัจจัยนี้เหมือนกับณอารามณปัจจัยโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระณนะวิปยุตตะทุกกนรยยี่สิณเหตุปัจจัยกับณวิปยุตตะปัจจัยมีสองวาระ นาอารามณปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระนาอธิปติปัจจัยมีสามวาระนอนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระนสมนันตรปัจใยมีหนึ่งวาระนอัญญมัญญปัจัยมีหนึ่งวาระนาอุปนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนปัจชาชาตปัจจัยมีสามวาระ ณอาศัยวณปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยมีสาวาระณวิปากปัจจัยกับณวิปยุตตาปัจจัยมีสาวาระณอาหารปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระณชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมคะปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตาปัจจัยมีหนึ่งวาระ โนนาธิปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระติกกะในยรยยี่สณอารมณปัจจัยกับณวิปยุตตาปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยละถึงมีสองวาระณอนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระณสมนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระนาน นอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ tuo, ่งวาระนอุปานิจญาปัจจัยมีหนึ่งวาระนาบุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีสองวาระนอาศัยวนปัจจัยมีสองวาระนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยมีสองวาระนอาหาราปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณชาณปัจจ mm ัย hmm. มีหนึ่งวาระนมขะปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระณนัธิปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระเจตุกไนรอยยี่สิบปดณอธิปติปัจจัยกับณวิปยุตตะปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระณอนันตระปัจจัยกับ ละถึงมีหนึ่งวาระทุกปั จ, จัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนัตถิและโนวิคตะทุกกนณร้อยี่สิบเกนเหตุถกปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระนัอารรมณะปัจจัยละถึงมีห้าวาระ ณอธิปติปัจจ umm ัยมีห้าวาระณอนันตรปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระณัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสยปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีห้าวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีห้าวาระณอาศัยวนปัจจัยมีห้าวาระณกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณวิปากปัจจัยมีห้าวาระณนะอาหาระปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทริยะปัจจัยมีหนึ่งวาระณชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระณมรรคะปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระณนะวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัติปัจจัยมีหาวาระติกกะไนร้อยสามสิ นอารามณปัจจัยกับโนวิคตาปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระณวิปยุตตาปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยมีหนึ่งวาระปัจจนี่ยจบ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 นปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมีเ้าวาระณอาศวนปัจจัยมีเ้าวาระนกรรมะปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีเก้าวาระณสัมปยุตตาปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตปัจจัยมีห้าวาระเทียบกะใน ร้อยสองณอธิปติปัจจัยกะเพรุปัจจัยและอารมณปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตะปัจจัยละถึงมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระณอาสิวนปัจจัยมีสามวาระนกัมมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระจตุกะใน ร้อย 33. ณปุเรชาตะปัจจัยกระเพตุปัจจัยอารามณปัจจัยและอธิปติปัจจัยมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละถึงมีสามวาระณอเศวณปัจจัยกับมีสามวาระณกัมมะปัจจัยกับมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับมีสามวาระณวิปยุตตาปัจจัยกับมีสามวาระ เอกาทสกะในร้อยสามสิบสี่นาปัจฉาชาตะปัจใจกระเพตุปัจจัยอารมณปัจจัยอธิปติปัจจัยอานันตรปัจจัยสมนันตรปัจจัยสหชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยนิสยปัจจัยอุปนิสยปัจจัยและปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระนอเสวณปัจจัยกับละถึงมีสามวาระ นกรรมปัจจัยกับมีสามวาระนะวิปากปัจจัยกับมีสามวาระทวาทศกัณฐ์ในสาสีวะ 35, นะร้อยสาสิบห้านปัจฉาชาตะปัจจัยกภเภตุ ป, ปัจจัยอารมณปัจจัยละถึงปุเรชาตะปัจจัยและอาศัยวะนปัจจัยมีสามวาระนะกรรมปัจจัยกับละถึงมีสามวาระ นวิปากาปจจัยกับมีสามวาระเตวิสกะในร้ยสามกนปัจฉาชาตาปจจัยกับเพตุปัจจัยอารามณปัจจัยละถึงปุเรชาตะปัจจัยอาเจวณปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยอินทรียปัจจัยชาณปัจจัยมรขะปัจจัยสัมปยุตตาปจจัยวิปยุตตาปจจัยอัติปัจจัย นัติปัจจัยวิคตปัจจัยและอวิคตปัจจัยมีสามวาระนาวิปากะปัจจัยกับละถึงมีสามวาระเตระักกะในสวิปากะร3อยสามสิบเจ็ดนาปัจฉาชาตะปัจจัยกระเพทุปัจจัยอารมณะปัจจัยละถึงปุเรชาตะปัจัจกรรมปัจจัยและวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระ นาอเจวนปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระเตวีสกะในร้อยส38นาปัชชาชาตะปัจจัยกระเพตุปัจจัยอารามณปัจจัยละถึงบุเรชาตะปัจจัยกรรมปัจจัยวิปากปัจใจอาหารปัจจัยอินทรียปัจจัยชานะปัจจัยมรคราปัจจัยสัมปยุตตาปัจจัยวิปยุตตาปัจจัยอธิปัจจัย นัตถิปัจจัยวิคตาปัจจัยและอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอเซวนาปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระเหตุมูลกะไนจกอารมณทุกกะไนร้อยสามสิบเกนเหตุปัจจัยกับอารมณปัจจัยมีสองวาระณอธิปติปัจจัยละถึงมีสามวาระณาปูเรชาตปัจจัยมีสามวาระ ณปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระณอาศวณปัจจัยมีสามวาระณกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีสามวาระณชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระณมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระติกกะในรยสี่สณอธิปติปัจจัยกับอารมณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระ นปุเรชาตะปัจจัยละถึงมีสามวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระนอเสวณปัจจัยมีสามวาระนกรร ม, มะปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอารมณมูลกะในจบพึ่งขยายให้พิจาราาเหมือนวาระที่มีเหตุปัจจัยเป็นมูล อธิปติทุกกในร้อยสี่สิบเอ็ดณอารมณปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีห้าวาระณอนันตรปัจจัยละถึงมีห้าวาระณสมนันตรปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสยปัจจัยละถึงมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระ ณปัจฉาชาตะปัจใจมีเก้าวาระณอาศัยวนปัจจัยมีเก้าวาระณกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจใจมีเก้าวาระณสัมปยุตตะปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระโนนัติปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตาปัจจัยมีห้าวาระจตุกะในร้อยสี่สิบสอง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 อนันตระและสมนันตระทุกกนัยพึงขยายอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยให้พิสดารเหมือนกับอารามณปัจจัยสหาชาตะทุกกรณ์ยสี่สามเหตุปัจจัยกับสหาชาตะปัจจัยมีสองวาระณอารามณปัจจัยละถึงมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยกับสหาชาตะปัจจัยมีเก้าวาระ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 ณอาหารปัจัยมีหนึ่งวาระณอินทริยปัจัยมีหนึ่งวาระณชาะปัจัยมีหนึ่งวาระนมรรคปัจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตะปัจัยมีห้าวาระณวิปยุตตะปัจัยมีสามวาระโนนัติปัจัยมีห้าวาระโนวิคตะปัจัยมีห้าวาระเตตกไนร้อยสี่สิบสี่ ณอารมณปัจจัยกับสหชาตาปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณนะอธิปติปัจจัยละถึงมีเ้าวาระณนะอนันตระปัจจัยมีห้าวาระณนะสมนันตรปัจจัยมีห้าวาระณนะอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระณนะอุปนิสยปัจจัยมีห้าวาระณนะปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระ ณปัจฉาชาตะปัจจัยกับสหชาตะปัจจัยและเหตุปัจจัยมี9้าวาระณออเสวณปัจจัยละถึงมี9้าวาระณกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมี9้าวาระณสำปรยุตตปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระโนนัติปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตาปัจจัยมีห้าวาระ จะตุ ก, กนใ น, นร้อยสี่สิบห้ awesome. าณอธิปติปัจจัยกับสหชาตปัจจัยเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับละถึงมีสามวาระณปัฉาชาตปัจจัยกับมีสามวาระณอสิวนปัจจัยกับมีสามวาระณกามาปัจจัยกับมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับ มีสามวาระณนะวิปยุตตปัจใจกับมีสามวาระพึ่งขายายให้พิจารณาเหมือนวาระที่มีเหตุปัจใจเป็นมูลอัญญามัญญะทุกขในร้อยสี่สิบหกณเหตุปัจใจกับอัญญามัญญปัจใจมีสองวาระณนะอารมะณะปัจใจละถึงมีหนึ่งวาระณนะอธิปติปัจใจมีสามวาระณนะอันันตระปัจใจมีหนึ่งวาระ ณสมณันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปนิสยปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยและถึงมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระณอาศัวนปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีสามวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระณนะชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระณนะมัคคะปัจจัยมีหนึ่งวาระณนะสัมปยุตะนะะยตะปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีสวาระโนนัธิปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิกระปัจจัยมีหนึ่งวาระเต็กกะไนร้อยสี่เจด ณอรมณ์ปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยละถึงมีสามวาระณอนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระณสมณันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปนิสัยปัจจัยมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระณปัจฉาชาติปัจจัยมีสามวาระ ณอาศัยวณัปจัยมีสามวาระณกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีสามวาระณสัมปยุตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตะปัจจัยกับอัญญามัญญะปัจจัยและเหตุตปัจจัยมีสามวาระโนนัติปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระโนวิเคระปัจจัยมีหนึ่งวาระจะตุกะใน ร้อิปณอธิปติปัจัยกับัญญมัญญปัจัยเหตุถุปัจจัยและอารมณะปัจจัยมีสามวาระณปูเรชาตปัจจัยกับละถึงมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับมีสามวาระนอสิวนะปัจจัยกับมีสามวาระนกัมมะปัจจัยกับมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับมีสามวาระ นวิปยุตตาปัจจัยกับมีสามวาระพึงขยายให้พิสดารเหมือนวาระที่มีเหตุปัจจัยเป็นมูลนิสยะและอุปนิสยาทุกขในร้อยสี่สเนเหตุปัจจัยกับนิสยาปัจจัยมีสองวาระณนะอารรมณะปัจจัยละถึงมีห้าวาระวาระที่มีนิสยาปัจจัยเป็นมูลเหมือนกับวาระที่มีสหชาตาปัจจัยเป็นโมล และวาระที่มีอุปาณิยตยปัจจัยเป็นโมลเหมือนกับวาระที่มีอารมณปัจจัยเป็นโมลปุเรชาตะทุกนายร้อยห้าสิบแเหตุปัจจัยกับปุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระณอธิปติปัจจัยละถึงมีสามวาระณัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระณอาศัยวะณปัจจัยมีสามวาระ นากรรมปัจใจกระปูเรชาตะปัจใจมีสามวาระนวิปากปัจใจและถึงมีสามวาระนชาณปัจใจมีหนึ่งวาระนมคะปัจใจมีหนึ่งวาระติกกะในร้อยห้าสิบเอ็ดนอธิปติปัจใจกระปูเรชาตะปัจใจและเหตุปัจใจมีสามวาระนาปจชาชาตะปัจใจยละถึงมีสามวาระ นอาศัยวนาปัจจัยมีสามวาระนะกรร ม, มปัจจัยมีสามวาระนะวิปากปัจจัยมีสามวาระพึงขยายให้พิจารณาเหมือนวาระที่มีเหตุปัจจัยเป็นมูลอาเสวนาทุกขกันในร้อยห้าสองนเหตุปัจจัยกับอาเสวนาปัจจัยมีสองวาระนะอธิ ป, ธปติปัจจใจละถึงมีสามวาระ ณปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระณกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีสวาระนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระเตีกกะในร้อยห้าสณอธิปฏิปัจจัยกับอาศเวนปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสวาระ นปุเรชาตปัจจัยละถึงมีสามวาระนะปัจฉาชาตปัจจัยกับอาศัยวณปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีสามวาระนะกรรมปัจจัยละถึงมีสามวาระนะวิปากปัจจัยมีสามวาระนะวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระพึงขยายให้พิสดารเหมือนวาระที่มีเหตุปัจจัยเป็นมูลกรรมทุกขะใน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 ณปัจฉาชาตปัจจัยมี9้าวาระณอาศัยวณปัจจัยมีเก้าวาระณวิปากปัจจมีเก้าวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระณชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระณมขะปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีหวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระ โนนัตถ์ปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตาปัจจัยมีห้าวาระเติกกะไนร้อยห้าสิห้าณอารมณปัจจัยกับกรรมปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยละถึงมีเก้าวาระณอนันตรปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตรปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระ ณอุปนิสยปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีเ้าวาระณอาศัยวนปัจจัยมีเ้าวาระณวิปากปัจจัยมี9้าวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตาปัจจัยมีสมวาระโนนัตถปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตาปัจจัยมีห้าวาระ จะตุกในร้อยห้าสิหณอธิปติปัจจัยกับกรรมปัจจัยเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตะปัจจัยกับละถึงมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับมีสามวาระณอเศวณปัจจัยกับมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับมีสามวาระ ณวิปยุตตาปัจจัยกับมีสามวาระพึงขยายให้พิจารณาเหมือนวาระที่มีเหตุปัจจัยเป็นมูลวิปากะทุ ก, กะในรอยห้าสิบเจ็ดณเหตุปัจจัยกับวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระณนะอารมณปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระณนะอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระณนะอนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณสัมมณันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระณปัจฉาชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระณอาศิวนปัจจัยมีหนึ่งวาระณชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระณมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมพยุตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณวิปยุตตาปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัติปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิตต прод. ตคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระเทกกะในร้อห้าสณอารามณปัจใจกระบิปากาปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระณอนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระณสมนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระ นอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนอุปานิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระนปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระนอเศเวนปัจจัยกวิปากาปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตาปัจใจและถึงมีหนึ่งวาระนาวิปยุตตาปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัติปัจจัยมีหนึ่งวาระ โนวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระจจตุกะใน159ห้าณอธิปติปัจจัยกบิปากปัจจัยเหตุถู ป, ปัจจัยและอรารมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระณปูเรชาตปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอเศวณะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณวิปยุตตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ ปัญจกะไนร้อหสินปูเรชาตะปัจจัยกวิปากะปัจจัยเหตุปัจใจอารมณะปัจจัยและอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตตปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระนาอาเสวนปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณวิปยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระเตวีจกะไนรยหกสเอด นปัจฉาชาตะปัจจัยกลบิปากับปัจจัยเหตุปัจจัยอารมณปัจจัยอธิปติปัจจัยอันันตระปัจจัยสมัันตระปัจจัยสหชาติปัจจัยอัญญามัญญปัจจัยนิสยปัจจัยอุปนิสยปัจจัยปุเรชาติปัจจัยกรรมปัจจัยอาหาราปัจจัยอินทริยะปัจจัยชานะปัจจัยมัคราปัจจัยสมประยุติปัจจัย วิปยุตตปัจจัยอธิปัจจัยนัถิปัจจัยวิคตาปัจจัยและอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระหน้าอาเสวนะปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระ